ศาสตราพุทธไม่ได้สอนหนึ่งบวกหนึ่งเท่าปับสองศาสตาพุสอนให้เรามองอะไรที่บ้างอาจะศูนย์จุดหนึ่งบวกหนึ่งจุดเก้าเท่าประสองก็ได้หรือจะหนึ่งบวกศูนย์จุดห้าบวกศูนย์จุดห้าก็ได้ยังหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์อันี้ขึ้นมาอย่างการอยู่ในสภาพแวดล้อมวุ่นวาย ถามว่าในความวุ่นวายเหมือนวุ่นตลอดเท่ากันไหมมันก็ไม่เท่าบางวันก็ปฏิบัติได้บางวันก็ปฏิบัติไม่ได้บางวันก็เสือ่อมนี่เราไปอยู่ในวัดตายเงียบๆบางวันก็ดีบางวันก็เสือ่อมตัวใหญ่ใจความก็คือธรรมะเขพยายามจะสอนเราถึงความ ไม่เที่ยงตึงทุกเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้อะไรเข้าหาละใจหรือว่าหรือเราเจตนาเข้าหาอมแต่งอกก็ดีแต่งบแล้วชอบก็รู้ว่าชอบ ฟุ้งซ่านแล้วเกลียดรว่าเกลียดจริงๆเราการปฏิบัติเนีนะ่อย่างพวกเซนก็สอนก็ดีนะสอนไม่ให้เราเปยึอิธรรมะที่เป็นคู่สงบกับฟุ้งซ่านสบกับทุกข์ดีกับชั่วภายในกับภายนอกอยากแต่ละเอียดยนะอะไรเนี้ยสที่เป็นคู่คู่เราก็จะเอาด้านหนึ่งแม่เอาด้านหนึ่ง เพราะว่าเราคิดว่าถ้าได้สิ่งนี้มาแล้วจะมีความสุขถ้าไม่มีอีกอย่างหนึ่งกนะ็ถ้าไปเจออีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นทุกข์อย่างเงี้ยจิตใต้สำนึกก็คือความรักสุขเกลียดทุกข์นั่นแหละพ า, าให้ดิ้นไปเรื่อยๆทั้งในทางโลกในทางธรรมเนี่ยอุตส่าหเรียนแทบตายไปทํามาหากินเลยเนะี่ยก็หวังว่ามีความสุขคนไปอยู่มีครอบครัวก็หวังว่าจะมีความสุข ครับตัวแล้วต้องมีลูกถึงจะมีความสุขหวังไปเรื่อยๆมีทุกไปเรื่อยๆนักปฏิบัติเป็นเนียงน่ะปฏิบัติไปแล้วชอบความสงบชอบความสุขวันไหนสงบ ก, ก็ชอบดีใจว่าปฏิบัติดีไม่สงบ ก, ก็ไม่ชอบกุมใจจริงๆแล้วธรรมะที่เป็น ค, คู่เขาแสดงความจริงตลอดเลย แต่งว่าบรงคับไม่ได้หรอกไม่เที่ยงทนไม่ไดนะ้มีความสุขแล้วก็ไม่มีปีใช่อยู่ในความสุขทั้งวันนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพื่อเอาด้านหนึ่งไม่เอาด้านอีกด้านหนึ่งนะแต่ปฏิบัติจนกระทั้ทงเห็นว่าทั้งสองด้านนั้นเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา จิตใจปล่อยสองฝั่งปล่อยทั้งสองฝั่งเข้าไปสู่ความปเป็นกลางเป็นกลางต่อสังขารฝึกไปเจนใจเป็นกลางต่อสังขารเพราะปัญญาไม่ใช่กลางจากกลางด้วยการเพ่งเป็นกลางด้วยปัญญาเรียกว่าสังขารุเบคาญาณ <c oughs> เป็นวิปัสสนาญาณตัวท้ายท้าย หลัจากนั้นจิตจำในเองนะควาได้ก็คือตื่นั้งคือสมมติชุาดูทุกข์มะเด่ต่อ้้นจะหาไปจะเ้คิดปลอกใจนะคิดปลอกใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนปวดหัวแล้วกินผาลา แต่ถ้าเราเห็นไปเรื่อยๆเลยโความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงมาเอาไปเห็นซ้ํำๆๆไปเรื่อยความสุขก็ไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้ความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้เห็นไปเรื่อยๆใจก็เป็นกลางเพราะฉะนั้นการเป็นกลางแล้วมันเกิดเหตุการณ์ที่เราเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกไปในข้อเท็จจริงของสังขารทั้งหลาย ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วเห็นว่ามาแล้วไปมาแล้วไปส่วนพอความสุขมาแล้วก็เอ็นจอยความทุกขมาพยายามจะหนีคิดอยู่นี้ตลอดชีวิตใครๆก็ทําอย่างนี้หมาแมวก็ทําอย่างนี้รักสุขเกลียดทุกข์ไปเรืเร่อยไม่สามารถจะเป็นกลางกับสุขและทุกข์ได้เพราะว่าไม่เห็นว่ามันเกิดดับบังคับไม่ได้ เนี่ยเราเฝ้ารู้ไปนะจิดฟุ้งสั้นก็เป็นธรรมะจิสงบก็เป็นธรรมะแล้ธรรมะที่เท่าเทียมกันดนะ้วยจะแสดงใจรักได้เท่าๆกันแต่แต่ว่าผลมันไม่เท่ากันเนะอ็นอกุศลนี่ใจเข้าไปยึดก็ทุกข์เยอะหน่อยอกุศลเข้าไปยึดก็ทุกข์น้อยหน่อยเอย็นจะทําทานใช่ไหมยึดอยากทําทาน วนไหนไม่ได้ใส่บาตรกุ้มใจวันไหนศีลแบ่งไปข้อหนึงขาดไปข้อหนึ่งคิดแล้วที่อีกซ้ําแล้วซ้ำอีกจิตเป็นอกุศลซ้ําๆำซ้ำซ้ำหือจะทําความสงบวันไหนไม่สงบทุกวันนี้นะทุกของคนดีก็ดีว่าทุกของคนชั่วผลมันรุนแรงไม่เท่ากัน ก็ทุกอย่างเนาะเปเรียนการสานสุรวัตนก็เรียนไป <c oughs> <c oughs> คือคำพูดเนี่ยบางทีมันทำให้งงได้อย่างเราเห็นความจงใจความจงใจเกิดขึ้นทันทีที่เรารู้ความจงใจมันก็ดับนะไ้ไม่ใช่ว่าเราทิ้งหรือเราไม่ทิ้งหรอก แต่ว่าที่อาจารย์สุรวัตรพูดหมายถึงว่านะมันก็ยังต้องตั้งใจใจต้องคอเตือนตัวเองให้ปฏิบัติคนะนคนละความหมายกันนะตัวสภาวะธรรมเองรักษามันได้ที่ไหนรักษาไม่ไดนะ้พอไปรู้มันไม่ได้ปรุงแต่งันระดับของมันเองนะมันคนละความหมายกันแต่ว่าที่อาจารย์สุรวัรบอกหมายถึงบางคนเนี่ย มันรู้มากต่นู่นก็ปล่อยวางอันนี้ก็ปล่อยวางปล่อยการปฏิบัติไม่ปฏิบัติละคราวนี้ไหลไปกับโลกหลงไปกับโลกแล้ต้องบอกว่านี่ปล่อยวางไม่ยึดถืออะไระและ้วมันหลงผิดเห็นอย่างนั้นน่าดีแล้วผมก็เข้าใจที่หลวงพ่อ บ, บอกว่าเป็น สร้างพาภพนักปฏิบัติก็ทุกแบบนักปฏิบัติมันอนอัดทันทีเลยนะส่วนใหญ่เขาไม่เคยเห็นกันตรงนี้นะ่ไปเดินตวงกลมเดินทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นหรอกว่ากําลังสร้างพอยู่แล้วกาลังทุกแบบคนดียวอย่าไปยกเท้าย่างเท้านะทำกรรมาฐานย่องย่องโอ้ยเหนื่อยจะตายนะเหนื่อยตั้งแต่ใจก่อนใจเครียด แล้วก็ค่อยไปเหนื่อยกายเมือ่อแต่ว่าพอทำไปนานๆมันเกิดความอิ่มใจได้มีความอิ่มใจตัวเบาเท้าเบาแล้วก็รู้สึกโอ้ทนทนเอาแล้วมันมีความสุขทีหลังจริงเพราะจิตมันไปรู้อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเ น, นื่องเป็นสมสถะก็ เ, เกิดจิตจิตตัวเบาเท้าเบาใจเบามีความสุข มันไม่ใช่ทางเดินของการใช้สติปัญญาคิดเอาถูกไหมา้นะคะที่แบบเวลาอะไรที่อาอนะองพ่อมันนี้ต้องเนอนเราไม่ได้ทำขึ้นมาเนี่ย ในจิตเขาทำเขาเองเอนี่ยเรามีนัานพี่ตามรู้ตามเห็นไปไมาอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อมีสองประเภทพวกเป็นรู้สึกกลัวขึ้นมาปล่อยวางอารมณ์ลงไปมันก็เบาพวกหนึ่งเครียดจัดเลยกลัว <c oughs> <c oughs> เกรงไปทั้งเตือเลยคอเครียดไปเลยก็มี <c oughs> โอยอย่าไปเอาทฤษดีรับกระแสมาใช้นะ แ, นแต่มันรู้คุณจริงๆทั้งวันทั้งค่ำพูดตั้งคามันก็ไม่ไมสบาย เ, เข้าไปก็รู้ว่ามัน <c oughs> เด่นเออพลังเหนียวนำพวกนี้มันมีแต่เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะไม่ได้เจริญสติปัญญาของเราถ้าใจเบาลวกเบา ใจเบาเรนชอบดูว่าชอบดูไปเรื่อยอใจที่เบาๆไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของถูกรู้ถูกดูไปหมด น, นี่ปราเดินปัญญาไปมีเยอะนะอิทฤิฎีดูดพลังรับกระแสอะไรเนี้ยเนี่ยศา ส, สนาพุทธสาสน้ช่วยตัวเองช่วยตัวเองแต่การทำไมพบครูบาอาจารย์แล้จิตใจสงบเบิกบ้าน มันมีสังคานุสติขึ้นมาอย่นอ่านธรรมะแล้วทำไมจิตใจดีมันเกิดธรรมานุสติขึ้นมาแม้เพราะเราทำเองต่างหาใจเราเรารึกถึงบูบาอาจารย์จิตใจนุ่มนวลอ่ อ, อนโยนนึกถึงธรรมะอ่านธรรมะจิตใจนุ่มนวลอ่ อ, อนโยนเพราะเรามีอนุสติเี่ไม่ใช่เพ้าไปดูดพลังนะ มีเยอะเลยเที่ยวสอนกันสอนให้ไปนั่งตรงนี้สี่นั่งที่นี้ที่ตรงนี้ดีกว่าที่ตรงนี้โอ้มีสถานที่เป็นมงคล น, นะทั้งนั้นนะเป็นมงคลที่สามสิบเก้านะเป็นนั่งดูดเศดีวัตถสีเงี้ยดูดพลังนะมีใครได้มากได้ผลมนี่หรอกเพราะไม่มีสติปัญญาทำไมสงบ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่รู้สึกสงบรู้สึกเบิกบานรู้สึกตื่นตัวใจเราเคล้าอยู่กับธรร ม, มนะน่ะเห็นครูบาอาจารย์ใจก็ตื่นตัวขึ้นมาศาสนบพุทธนะเรื่องเพิ่งตนเองเพื่อตนเองนะ มืกก่อก่นมีใครนะฮะที่ไปดูดพลังเอฟประสาทีนนะว่ะาถ้าตรงนี้ที่ดีต้องไปดูดพลังตรงนี้พระพุธทธเจ้าไม่ได้สอนอเรื่องสถานที่เป็นมงคลเรื่องอะไรแล้วไงคุณป้าเงอ อย่างหลงพ่อไปหาครูบาอาจารย์นะโอ้ยแช่มชื่นแบบกบานใจไม่ได้คิดว่าไปดูดท่านนะถ้าดูดพลังนี่เป็นอีกแบบหนึ่งเลยจ ะ, จะขโมยเลยดูดเอามาเลยนะเป็นเมตตาจากครูบาอาจารย์แผ่เมตตาแผ่แคแผ่ไม่มีประมาณอยู่แล้วแผ่ครอบโลกอยู่ตรงนี้นึกถึงท่านสิ นะนึกถึงท่านสมมติไปกราบหลวงปู่จันทามาลองนึกถึงบรรยากาศต ร, ตรงนั้นนะเดี๋ยวจิตใจก็สบายนะเป็นสังคารุสติเรืกระแสพลังในนี้นนะมันก็มีไม่ใช่ไม่มนะีอย่างเวลาที่มันลบกันหนักๆเ น, น, นี่ยเวลาคนจำนวนมากกลัวพร้อมๆกันเนี่ยพลังงานความกลัวครอบโลกเลย คนไหนที่ชับจิตออกนอกไปรู้เข้า ม, มันจะเถือนโกลมคลามแต่ว่ามันเกี่ยวอะไรกับการปฏิบัติไม่ไม่เกี่ยวหรอกก็เหมือนกับว่ามีตาอีกดวงหนึ่งจะรู้อารมณ์อีกชนิดหนึ่งซึ่งคนอื่นเขาไม่รู้แต่ไม่ใช่ที่พึ่งนะที่พึ่งคือสติปัญญาของเราเองพึ่งตนเอง ตัวสภาวะธรรมเนี่ยเช่นรูปธรรมทั้งนามธรรมเนี่ยรูปธรรมนามธรรมถ้ารูปชนิดนี้เราเคยคุ้นเคยแล้วสมมติว่ารูปรูปไหวรูปเคลื่อนไหวมือเราเคยฝึกไว้ว่าถ้าเคลื่อนไหวมือเราจะรู้สึกตัวพอเราเคลื่อนไหวมือปั๊บเนี่ยสติมันจะทํางานขึ้นมาเพราะมันจําสภาวะการเคลื่อนไหวนี้ได้เคยโปรแกรมมาไว้ก่อนว่าถ้ากระดูกกรดิเราจะรู้สึกตัว พอมันเริ่มเคลื่อนไหวปุ๊บโดยไม่ได้เจตนาเลยเคลื่อนไหวย่ารู้สึกตัวขึ้นมาหรืออย่างเราจำได้ว่าแต่เดิมเราต้องเห็นอารมณ์ที่หวือหวาเช่นความโกรธพุ่งขึ้นมาเรารู้จักต่อมาความขัดใจเล็กๆอันนี้เรายังไม่รู้จักความขัดใจเกิดขึ้นคุนๆเกิดขึ้นเนี่ยสติเรายังไม่ทันเราไม่รู้ว่ามีอะไรของแปกปลอมแล้ว พอมาเราฝึกมากเข้ามากเข้าเราเห็นถ้าคุณๆนิดนิดนีดน่นก็เป็นของแปลกลอมจะเป็นปฏิกะนโทสะละเอียดแต่พอมันไหวไๆขึ้นมานิดหนึ่งก็มองเห็นอสติทันเนี่ยอยู่ที่การฝึกฝนหัดสังเกตไปเรื่อยหัดรู้สภาวะไปเรื่อยหรืออย่างเวลามีความสุขเกิดขึ้นถ้าความสุขแรงๆเรารู้ชัด ความสุขค่อยๆจางต่ว่างๆใจว่างๆเรารู้สึกตอนนี้ไม่มีอารมณ์จะดูะทั้งๆที่อารมณ์เนี่ยเกิดตลอดเวลาคู่กับจิตจิตมีจิตต้องมีอารมณ์แต่มาเรารู้ทันเราเคยสังเกตอ้อว่างๆเฉยๆนี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะเดี๋ยวก็วุ่นวายแล้ก็รู้อ้อว่างก็เป็นอารมณ์หนึงสติรู้ทันมันเกิดขึ้นมาก็รู้ทัน ความว่างหายไปเกิดความวุ่นสติก็รู้ทันอยู่ที่เราค่อยๆฝึกแปลพอเราสามารถรู้จักสภาวะธรรมได้เยอะมันก็ยังไม่มีรอยโหวงอย่างแต่เดิมต้องมีกิเลสแรงๆก่อเราถึจะดูได้พอว่างๆเราลึกว่าไม่มีอะไรให้ดูแล้วก็เที่ยวหาใหญ่เลยเที่ยวดูเอจะสแกนหาจะดูอะไรดีไี่ถูกหรอกนะ ถ้าอย่างงั้นแทนที่จิตว่างๆแล้วจะรู้ว่างก็กลายเป็นว่าปรุงการสแสวงหาเสมอไม่ให้เรารู้ทันว่านี่หาแล้อย่างแต่เดิมเราไม่รู้การเที่ยวหาเนี่ยก็ต้องรู้มันนะพอหลวงพ่อ บ, บอกว่าหาแล้วไหมเราก็จะเริ่มเห็นแล้วอ้อการสแสวงหาก็เป็นพฤติกรรมมันนึ่งของจิตเราค่อยรู้จักมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดจิตปรุงแต่งอะไรเล็กๆน้อยๆเราก็เห็น เราปรุงแต่งก็ขาดไ้วไม่ใช่้มันเป็นประสบการณ์ของจิตเป็นประสบการณ์ของจิตค่อยๆรู้เท่ารู้ทันไปด้วยถ้าพยายามจำเหนื่อยนะมีโลภะแทรกอย่าพยายามาเป็นโมหะ ที่เกียดแล้วว่างจริงๆต้องเข้าใจใหญ่จิตมีจิตจะต้องมีอารมณ์จิตที่ปราศจากอารมณ์ไม่มีเลยสักดวงเดียวกรนะทั่งมรรคจิตผลรจิตนะก็มีอารมณ์หรือมีอารมณ์นะิพพานอารมณ์ที่ไม่ใช่รูปนามนะจิตต้องมีอารมณ์เสมอ ว่างๆดูไปว่างๆก็ความว่างช่องว่างอ น, นั้นอากาศสานะอากาศบ น, นนั้นก็คืออารมณ์ไม่รู้เลยไมรพราะโมหะมันยังมีมันรู้ไม่ทั น, นแต่ใ น, น, นไ้นนนนรู้แล้วถือว่ารู้แล้วไม่รู้ชื่อมันไม่เป็นไร ไม่ต้องไปใส่ชื่อให้มันหรกหัดเบื้องต้นตมันชอบภายนะอะไรเกิดขึ้นมารีบบรรยายโอ้ละคะเกิดละมึงที่สอนต่อยอ้าดูไปคอยดูคอยบอกคอยภาก ค, คอยบรรยายคอยอบรมสั่งสอนนะถ้าฝึกมากๆก็เห็นว่าสภาวะทำมันหนึ่งปรากฏที่เจ็ดพูดว่ามันคืออะไรไม่พูดละรู้เฉยๆสบายกว่า ก็มีหน้าที่รู้ทันรู้ทันว่าหลงตรงแต่งแล้วก็ใช้ได้แล้วก็ไม่เ <c oughs> <c oughs> หน้องถามเลก็ไม่เห็นต้องถามเลยเมื่อยทั้งสองฝ่ายนี่นายพระพเมรนาเก่งๆนะมาเจอกันก็จะนั่งเงียบๆเหนะมือนหลวงปู่สามไปหาหลวงปูด่ดูนนะะนั่งอยู่ด้วยกันสองชั่วโมงไม่พูดสักคำ หลวงพ่อสมจักดก็ไม่ถามหลวงปูดูลไม่ทำไมไม่คุยกับท่านบอกไม่มีธุระเคยเจอไมหมหลวงปู่สามหรือว่าปลายวิเวกไปทางปราศาสตร์เมื่อไม่กี่วันนี้ต้องไปการ 3, 1, 1, าบหลวงตาพนึกเมื่อต้นเดือนแล้วเมื่อปลายเดือนสิ็จนาะ ไปกลับท่านแข็งแรงช่งเนี้ยอ๋นอนอี่อุลินนะไม่เห็นต้องพูดเลยเนาะถ้ามาแล้วนั่งเงียบๆไม่ถามโอ้หลวงพ่อจะดีใจ <c oughs> ไม่ต้องเหนื่อย พอเราไปปฏิบาตมาไม่เห็นต้องพูดเลยนะ <c oughs> วัดป่าไม่สอบอารมณ์กันหรอกไม่มันนั่งสักนั่งถามกันหรืออ่ะเส ต, ติดเลยก็ามาถามเอาเนะี่ยหรือครูบาอาจาร เห็นว่าสมควรบอกให้ก็บอกให้น่าสอบอารมณ์ด้วยคำพูดรอสอบมันทำไมมันกกหกเ ด, เด็กบางคนมันรู้มากนะให้บรรยายไอยคำออกมาอุ้ยอย่างกับพระอรหันต์คุยกันเ <c oughs> มื่อก่อนเมืจากในในในในมวยวัดไนหะในเทส นะตอน้องมาเล่นเน็ตใหม่ๆเขาเขียนโอ้โ ห, หเขียนคนนี้นี่นะความรู้ดีจังเลยเขียนอย่างกับพระอริยะเนะี่ยเป็นป่านนี้ก็ยังแกะโมหะไม่หมดเลยเนี่ยพราะันไอ้คำพูดไรเชื่อไม่ได้หรอก แต่ก็ดีขึ้นนะดีขึ้นแต่กิเลสตรกูลโมหะทุยากที่สุดนำบากพวาเราในเน็ตโมหะเยอะก็หลายคนในอานี่โมหะเยอะอาจจะหลุดออกมาได้ไม่ใช่ง่ายๆในโย <c oughs> ในโยในปรีชาในจอมอพวกนี้พวกโมหะเยอะ สงสัยเยอะมากมานั่งถามอยู่เนี่ยไม่ถามอะไรเันเกิดบ่อยล่ะกิเลสทุกตัวเนี้ยต้องมีโมหะเป็นพื้นฐาน นะถ้าไม่มีโมหะแค่ตัวเดียวราคะาโทสะจะเกิดไม่ได้เพะงั้นถ้าโทสะเยอะๆอ ย, ยังไงก็ต้องมีโมหะโทสะก็เป็นรูปของราคะราคะก็เป็นรูปของโมหนะได้ยินอวิชาตันหาอุปาทานนะอาวิชาก็ตัวโมหะ ส่งท่อให้เกิดตัญหาตัวโลภะปาทานก็เป็นตัวโลภ ะ, ะ, ลล พ, ะพออยากได้แล้วกเข้าไปยิตแล้วไม่สมอยากก็เป็นโทสะดังนั้นโทสะก็เลยเป็นลูกของราคะจริงราคะก็เป็นลูกของโมหะจริงดังการปฏิบัติต้องรู้สึกตัวไว้ โทสะเนี่ยแก้ง่ายโหมหายากดูยากเดีย๋ยวพวกโทสะถ้าเขาดูเข้ามาเห็นตรงที่ความไม่มีสติเขาไรู้ทันความไม่มีสติทักเกิดมีสติขึ้นมาเขาไม่ต้องไปตามแก้ราคะและโทสะในการปฏิบัติเนี่ย ให้เรามีสติไหยไม่ใช่ว่าต้องไปนั่งไล่มาตับลำดับไม่ใช่พวกโทสะจริตนี้วงานยากต้องไล่เป็นชั้นๆไม่ใช่เพราะว่าทันทีที่เกิดสติขณะ น, นั้นไม่มีกิเลสแล้วล้วมีสติสัมปชัญญะก็ไม่มีโมหะ ปแปลกๆเลนะอันนี้แต่คุยกันก็ได้อะ ไ, ดอะไรนะ <c oughs> เปลี่ยนได้อะนเปลี่ยนได้ทั้งนั้นเละนะันไม่เที่ยงั <c oughs> นไม่เที่ยงเนี่ยนะ แต่จริตมันอยู่ที่การสั่งสมอบรมนะเหมือนนิสัยอ่ะนิสัยประเภทเจออะไรก็หงุดหงิดเจออะไรก็หงุดหงิดแล้วก็สะสมะมีอนุใสที่จะขี้โมโหถ้าเรามองโลกสวยงามรุ่งเดียวเลยเจออะไรก็สบายใจไปหมดก็สะสมไปอีกแบบแต่ว่ากิเลสที่เด่นอาะจะเปลี่ยน พอมีสติปัญญาใกล้แข็งขึง้นใช่ไหมราคาโทรศัท์ทำงานไม่ได้มันเกือแต่โมหะแต่ราคากับโทษศามขาดไปพร้อมกันนะเพราะว่ามันเป็นเหตุซึ่งกันและกันมีราคาก็จะมีโทรศัพท์ในราคาจะเลยต้องขาดด้วยกัน โมหะต้องเข้าใจอริยสัจถ์แก้โมหะได้ต้องรู้ถึงอริยสัจเห็นใจรับยังแก้โมหะจริงไม่ได้เลย เป็นจิตแพทย์จิตแพทย์แล้วอารมณ์ร้ายดูไม่น่าเชื่อถือ <c oughs> สุขภาพจิตของหมอนี่ยังไม่ค่อยจะดีเลยเหมือนอย่งคนมาวัดอะ่ะสังคมมันจะตั้งความคาดหวังสูงมาวัดก็ไม่เห็นลดกิเลสเลยแต่อย่างก็วัดมันเป็นเครื่องขัดเกลากกิเลส ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะเลยฝึกฝนตัวเองไม่อยู่ที่บ้านก็ฝึกได้แต่คนนี้คาดหวังเนี่ยมาวัดมาวัดแล้วทำไมนิสัยร้ายนี่นเป็นจิตแพทย์แล้วก็เครียดเนี่ยโอ้ดูไม่น่าเชื่อถือเลยทั้งที่จิตแพทย์มนทุกคนอะเจอคนบ้าทั้งวันก็เครียดนนแน่ๆล่ะ ไอ้หลักสูตรจิตแพทย์นี่เขาสอนให้ต่อสู้ป้องกันตัวอะไรบ้างไหม